จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันสุขที่15มกราคมพุทธศักราช2553ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือนยี่เป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฝังธรรม วันที่ท่านทั้งหลายจะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำามาไปปฏิบัติเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเพราะความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความมืดบอดที่มองไม่เห็น ว่าความทุกข์นี้เป็นอะไรเหตุของความทุกข์เป็นอะไรไม่เห็นวิธีการดับทุกข์ว่าทําอย่างไรใจก็เลยมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะชอบสร้างความทุกข์สร้างเหตุของความทุกข์ <c oughs> มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีพระปัญญาอันฉลาดแหลมคมที่สามารถมองเห็น ทที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจได้และเห็นธรรมที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราหมดลงไปได้ธรรมนี้เรียกว่าอริยสัจ ส, สี่ผู้ใดเห็นอริยสัจ ส, สี่ผู้นั้นเป็นผู้เห็นธรรมแต่การเห็นนี้ต้องเห็นในเชิงปฏิบัติ ไม่ได้เห็นจากการคาดคะเนเหมือนกับสถานที่ที่เราไม่เคยไปแล้วเราคาดคะเนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเห็นเห็นจริงเห็นจริงต้องไปเห็นต้องไปที่สถานที่นั้นเหมือนกับวัดยาสังวราราใ น, นี้พญาติโยไม่เคยมาเพียงแต่ได้ยินได้ฟัง ว่ายวัดยานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วญาตอยู่ก็นำเอาไปาวาดภาพขึ้นมาภายในจิตใจจินตนาการไปตามที่เขาพูดอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเห็นจริงไม่รู้จริงแต่เมื่อได้เดินทางมาถึงวัดแล้วได้เห็นตัววัดได้เห็นสภาพต่างๆภายในวัดแล้ว ก็จะรู้ว่าวัตยานี้เป็นอย่างไรอย่างนี้ถึงเรียกว่าเห็นจริงรู้จริงเช่นเดียวกับการเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมนี้ก็เป็นอย่างนั้นต้องเห็นต้องบรรลุธรรมด้วยการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาอย่างเดียวยังไม่พอเพราะเป็นเพียงแต่การรับทราบว่าพระ อริยสัจสีนี้เป็นอย่างไรมีอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติพระอริยสัจสี่ยังไม่เข้าหาพระอริยสัจสีเหมือนกับยังไม่ได้เดินทางไปที่สถานที่ที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าสวยอย่างนั้นดีอย่างนี้วิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้แต่เรายังเดินทางเรายังไม่ได้เดินทางไปถึงสถานที่นั้น เราก็จึงยังไม่ได้สัมผัสกับความสวยงามความวิเศษเราเพียงแต่สัมผัสกับจินตนาการของเราเองเท่านั้นเองเช่นเดียวกับการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสัจสีนี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดเป็นแก่นธรรมเป็นหัวใจของธรรมธรรมะขั้งหมดของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงที่ทรงประกาศสั่งสอนสัตว์โลกนี้ออกมาจากพระอรยิยสัจสีนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้เห็นพระอริย ส, สัจสีไม่ได้ปฏิบัติพระอริย ส, สัจสีเราก็จะไม่รู้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสว่าขาโตภคกวตาธรรมโมอย่างไรคือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วอย่างไร เป็นปายตามความเป็นจริงอย่างไรเพราะเรายังไม่ได้ดิ่งเข้าสู่กระแสของความจริงของพระ อ, อริยสัจสี่นั่นเองจนกว่าเราจะปฏิบัติพระ อ, อริยสัจสี่ปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่ให้ครบสมบูรณ์ทั้งสี่ประการเท่านั้นเราจรึงจะเห็นพระธรรมอย่างเต็มที่เราจะมีดวงตาเห็นธรรม ได้อย่างเต็มที่ปรอริยศัสตร์สี่นี้ประกอบด้วยทุกทุกขัสัะสองสมุทัยัสส์สามนิโรทัสส์และสี่มรุขัสส์นี่คืออริยศาสตร์สทุกสุมตุสมุทัยนิโรมรุ เป็นธรรมสี่ประการด้วยกันที่เราต้องศึกษาและต้องสัมผัสด้วยใจของเราเราจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ mm hmm. ทุกนี้ก็ทรงแสดงว่าก็คือทุกภายในใจนี้เองทุกที่มาจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากสิ่งต่างๆ mm hmm. สมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์ ก็มก็คือความอยากทั้งสามประการคือการมะตัณหาความอยากในการภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนิโรธก็คือความการดับสนิทของความทุกข์มัรคก็คือวิธีที่จะทำให้นิโรธคือ การดับทุกปรากฏขึ้นมานี่คือธรรมะสี่ประการในอริยรรสัจสีที่เราต้องปฏิบัติกิจในอริยรรสัจสีมีสี่ประการคือทุกต้องกาหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องเจริญให้มากนี่คือกิจในพระอริยสัจสี่ ไม่ว่าใครก็ตามถ้าอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมก็ต้องเข้าสู่กิจทั้งสี่ประการนี้เช่นจะยกตัวอย่างให้เห็นเช่นเราอยากจะเห็นทุกข์ว่าเป็นอย่างไรก็ลองไปฝืนความอยากดูเช่นฝืนกามะตัญหาความอยากในกามเช่นเราอยากจะดื่มเหล้าวันนี้เราก็ไม่ดื่มเหล้าเราถือศีลห้าถือศีลแปกัน พอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่เราจะเห็นทันทีว่าทุกข์กรสับเป็นอย่างไรทุกข์กรสับก็คือความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากนึ่งสุราแล้วไม่นึ่งสุรานี่คือการจะเห็นทุกข์ต้องเห็นอย่างนี้เราต้องละสมุทยัยต้องละความอยาก เมื่อละความอยากแล้วก็จะเห็นความทุกข์เมื่อเห็นความทุกข์แล้วเราก็จะได้หาวิธีดับความทุกข์วิธีดับความทุกข์ก็คือใช้มรรคใช้สติปัญญาพิจารณาดูว่าที่เราทุกข์นี้เพราะอะไรถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่าที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากจะดื่มสุราแ้วเราไม่ได้ดื่มสุ ر ا นั่นเองวิธีดับทุกข์จะทำอย่างไร ไม่ใช่ไปดื่มสุราแล้วจะดับทุกข์ได้ไปดื่มสุราก็อาจจะดับได้เดียวๆแล้วเดี๋ยววันต่อไปก็อยากจะดื่มขึ้นมาอีกการดื่มสุราไม่ไจึงไม่ได้เป็นการดับทุกข์แต่กลับเป็นสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นเพราะเมื่อดื่มแล้วก็อยากจะดื่มมากขึ้นตอนต้นก็ดื่มวันละแก้วสองแก้วแล้วก็เพิ่มเป็นสามสี่แก้วแล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นขวด นี่เกิดจากการดับทุกข์ด้วยการไปดื่มสุราวิธีที่จะดับทุกข์นี้ต้องงดต้องดับที่สมูทไทยสมูทไทยต้องละกิดในในสมูทไทยก็คือสมูทไทยต้องละเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์ใจของเราเกิดจากสมูทไทยเกิดจากความอยาก เราก็ต้องละการดื่มสุราให้ได้เช่นวันนี้เรามาสมาทานศีลห้าศีลแปดกันนี่ก็เป็นวิธีเจริญมรรคเจริญมรรคก็คือสร้างสร้างวิธีการดับทุกข์ให้มีเกิดขึ้นในใจของเราวันนี้เราจะไม่ดื่มสุราต่อให้ใจของเราทุกข์ทรมานอย่างไรเราก็จะไม่ไปหยิบสุรามาดื่มถ้าเราสามารถทำได้ วันต่อไปความอยากดื่มสุดา mm. ก็จะมีกำลังลดน้อยลงไปแล้วถ้าเราสู้กับมันได้ในวันนี้เราก็จะสู้กับมันได้ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เกิดความอยากดื่มอีกเราก็ไม่ดื่มอีก mm. แล้ววันต่อไปมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆไม่นานดีไม่ดีไม่เกินเจ็ดวันก็จะไม่มีความอยากดื่มสุดาอีกต่อไป นี่ก็เป็นการดับทุกข์เพราะเมื่อไม่มีความอยากดื่มสุราแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากดื่มสุราก็จะไม่มีอีกต่อไปเหมือนคนที่ไม่ไม่ไม่ดื่มสุราเขาไม่มีความทุกข์กับเรื่องสุราอย่างเมาเพราะเขาไม่มีความอยากเขาไม่ได้อยากดื่มสุราเขาก็ไม่มีความทุกข์นี่คือตัวอย่าง เนื่องของกามาตัญหามีหลายอย่างด้วยกันสุรานี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นการสูบบุหรี่ก็เหมือนกันการดื่มกาแฟก็เหมือนกันการรับประทานของที่เรารักเราชอบก็เหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะตับเวลาที่เรารับประทานอาหารเราก็ต้องรับประทานแบบพระเช่นเอาอาหารใส่ไปในชามในกะลมังใบเดียว แล้วก็ใส่อาหารทุกชนิดทั้งข้าวทั้งหวานทั้งผลไม้ทั้งขนมใส่ไปแล้วก็คลุก ม, มันบนมันเข้าไปให้เป็นเป็นเหมือนอาหารจานเดียวชนิดเดียวเพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็จะลงไปรวมกันอยู่ในท้องนี่คือวิธีตัดตันหาแต่เวลาทําขั้งแรกนี้จะทุกทร ม, มานใจเพราะความอยากมันจะ ไม่ต้องการรับประทานแบบนี้มันต้องการรับประทานทีละอย่างของคราวก่อนแล้วค่อยของหวานแล้วค่อยขนมแล้วค่อยเครื่องดื่มนี่เป็นการรับประทานตามตามตันหาเป็นการสร้างความทุกข์เพราะถ้าไม่ได้รับประทานอาหารที่ชอบที่ถูกปากก็รับประทานไม่ลมเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจไม่มีความสุข แต่ถ้าเราฝึกรับประทานอาหารแบบรวมกันมีอะไรก็รับประทานันไปเพราะผู้ที่รับประทานคือร่างกายร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขารับประทานอะไรใจผู้เป็นผู้อยากรับประทานอาหารชนิดต่างๆไม่ได้เป็นผู้รับประทานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตามใจเราต้องตามร่างกายเหมือนกับเราเติมน้ำมัน รถยนต์เขาไม่รู้ว่าเราเติมน้ำมันชนิดใดลงไปชนิดใดก็ได้ถ้าถูกชนิดกับที่เขาต้องการเขาก็วิ่งได้ไปไหนมาไหนได้ถ้าไปเติมน้ำมันผิดผิดชนิดที่เขาต้องการเขาก็วิ่งไม่ได้เช่นรถดีเซลไปเติมน้ำมันเบนซิ น, นอย่างนี้เป็นต้นหรือรถเบนซินไปเติมน้ำมันดีเซล รถมันก็จะไม่วิ่งหรือวิ่งได้ไม่นานมันก็จะเสียจะพังได้รถมันไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำมันที่เราชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะชอบน้ำมันยี่ห้อนี้หรือเราไม่ชอบยี่ห้อนั้นถ้ามันเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันรถมันก็จะรับได้ใช้ได้ไม่เป็นปัญหาอย่างไรคนขับไม่จำเป็นต้องไป จู้จี้จุกจิกกับยี่ห้อขอให้เติมน้ำมันที่ถูกชนิดกับความต้องการของรถยนต์เท่านั้นก็พอแล้วเ<ม>ช่นเดียวกับอาหารอาหารร่างกายเขาก็ไม่สนใจว่าจะให้เขารับประทานอาหารอะไรรับประทานอาหารฝรัง่งรับประทานอาหารไทยรับประทานจานด่วนรับประทานอาหารข้างถนนขนมจีนน้ำยา หรือรับประทานอาหารในโรงแรมในพัตตการหรูห ร, หราเขาก็ไม่สนใจ<อ>ตามใดที่อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วไม่ทำให้ท้องเสียก็ใช้ได้นี่คือการรับประทานอาหารโดยไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสเป็นการรับประทานอาหารเพื่อดับทุกข์เพราะถ้าเรารับประทานแบบนี้แล้วต่อไปเราจะรับประทานอาหารอะไรก็ได้ เราจะไม่ต้องวุ่นวายกับการหาอาหารต้องไปหาร้านอาหารต่างๆไปรับประทานเราไม่ได้รับประทานเพื่อใจแต่รับประทานเพื่อร่างกายร่างกายเขาต้องการอาหารที่ไม่เป็นพิษเท่านั้นจะปัญชนิดใดก็ได้จะถูกจะแพงเขาก็ไม่สนใจขอให้เป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วไม่ทำให้ท้องเสียแล้วทำให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเพียงแล้ว นีก่ก็คือการเกิดการดับตัณหาการละสมุทัยเป็นกิจของในอริยสัจสีและการที่เราพิจารณาด้วยปัญญาว่าน่างกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรร่างกายต้องการอะไรใจไม่ต้องการอะไรเราก็กำลังเจริญนับกำลังใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาว่าทำอย่างไร ทำให้เราไม่มีความทุกข์กับการรับประทานอาหารกับการรับประทานสิ่งของต่างๆเช่นหลังจากเรารับประทานอาหารแล้วเราก็ไม่ควรรับประทานอะไรอีกถ้าร่างเพราะร่างกายได้รับอาหารพอเพียงแล้วไม่ควรรับรับรับประทานขนมหรือเครื่องดื่มที่มีรสต่างๆเพราะนี่ไม่ได้รับประทานเพื่อร่างกายนี่รับประทานเพื่อสร้างความทุกข์ขึ้นมา รับประทานตามกามากตันหาความอยากในรูปในกลิ่นในรสเนี่ยนี่ก็ต้องลดต้องละถ้าเราต้องการที่จะดับความทุกข์อยู่ภายในใจเวลาเราอยากรับประทานขนมแล้วไม่รับประทานไม่แล้วไม่ได้รับประทานขนมรู้สึกอย่างไรบ้างหงุดหงิดนะเวลาอยากจะดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่ได้ดื่มอย่างนี้หงุดหงนะิดใจไหมร่างกายเขาไม่เดือดร้อน ร่างกายถ้าเขาต้องการเขาต้องการน้ํำเปล่าเท่านั้นเองถ้าอยากจะดื่มน้ําให้ร่างกายเติมน้ําให้ร่างกายก็ดื่มน้ํำเปล่ า, ลาไม่ต้องไปดื่มน้ําที่มีรสมีชาติมีสีมีกลิ่นนี่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะทําตามความอยากทําทตามการมาตัญหาถ้าเราอยากจะอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุข ไม่มีความทุกข์กับเรื่องการดื่มการรับประทานไม่ได้มีความทุกข์กับเรื่องการไปเที่ยวไป <c oughs> ไปเห็นนั่น <c oughs> เห็นนี่เราก็ต้องตัด k าม m a ตันหาเราต้องตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะทั้งหลายในเบื้องต้นเราจะทุกข์แต่ความทุกข์มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุด ถ้าเราไม่ตัดเราทำตามกามักตัณหาอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะดื่มอะไรอยากจะรับประทานอะไรก็ทำตามความอยากของเราความทุกข์มันก็จะไม่หมดไปจากใจมันก็จะมาคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆว่าถึงเวลาสูบบุหรี่แล้วนะถ้าไม่สู่<ม>เดี๋ยวทุกข์จะปรากฏแล้วนะถึงเวลาดื่มสุราแล้วนะ ถึงเวลาดื่มเครื่องดื่มแล้วนะถึงเวลาดื่มกาแฟแล้วถ้าไม่ดื่มเดี๋ยวจะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ต่อไปจะไม่มีความทุกข์มาเตือนเราเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดเวลาไม่มีอะไรมาเตือนว่าถึงเวลาดื่มสุราแล้วถึงเวลาสูบบุหรี่แล้วถึงเวลากินขนมแล้ว ถึงเวลาไปเที่ยวแล้วจะไม่มีความทุกข์เหล่านี้มาคอยเตือนใจอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขไม่ดีกว่าเลย อ, ออกไปข้างนอกแล้วต้องหาเงินหาทองไม่มีเงินทองก็ออกไปไม่ได้เพราะออกไปแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวต้องซื้อนั่นซื้อนี่กินนั่นกินนี่นี่เป็นเรื่องของความทุกข์มนุษย์ของเราทุกคนทุกวันนี้ก็พวก เพราะความอยากที่เราต้องไปดิน้นรนทำมาหากินไปเรียนหนังสือนี่ก็เพื่อที่จะไปมีอาชีพที่ทำให้เรามีเงินมีทองมีรายได้เพื่อจะได้มาตอบสนองความอยากต่างๆของใจเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยชีวิตของเรานี้อยู่ภายใต้อานาจของความอยากถ้าไม่ ไม่ทําตามความอยากแล้วจะต้องทุกข์ทรมานใจถ้าไม่เชื่อลองอยู่บ้านเฉยๆสักวันดูบอกวันนี้จะอยู่ในห้องคนเดียวไม่ไปดูอะไรไม่ไปฟังอะไรไม่ไปดื่มไม่ไปกินขนมอะไรทั้งนั้นแต่กินแต่อาหารอย่างเดียวน้ากินอาหารก็กินแบบคุกรวมกันเอาอาหารทุกชนิดใส่เข้าไปแล้วกินเข้าไป ระหว่างมื้อจะไม่กินอะไรจะไม่ดูหนังจะไม่ฟังเพลงจะไม่อ่านหนังสือที่ไม่มีสาระต่างๆถ้าจะอ่านก็จะอ่านเพียงแต่หนังสือธรรมะแต่ถ้าไม่อ่านเลยได้ก็ดีเพราะตอนนี้ต้องการจะตัดความอยากทุกอย่างให้หมดไปให้อยู่เฉยๆให้ได้ลองทาดูเราจะเห็นอริยสัจสี่เกิดขึ้นมาทันที จะเห็นทุกข์เกิดขึ้นมาทุกครั้งที่อยากจะออกไปนอกห้องทุกครั้งที่อยากจะไปดื่ ม, มเครื่องดื่มทุกครั้งที่อยากจะไปรับประทานขนมเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิต่อสู้กับมันเกิดเวลามันหิวมันอยากขึ้นมาก็นั่งทำสมาธิไปนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึง เรื่องที่เราอยากรับประทานถ้าอยู่กับพุทโพุทโธพุทโธไปได้ไม่นานเดี๋ยวก็จะลืมเรื่องความอยากไปรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้พอลืมแล้วความทุกข์ก็หายไปเพราะความอยากที่จะไปทำมันก็หายไปนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะตัดความทุกข์ตัดสมุ ท, ทยัยคือความอยาก ให้หมดไปจากใจได้แต่ก็จะไม่หมดอย่างถาวรเพราะถ้าเราเวลาที่เราไม่ทำพุโทโธไม่นั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดอีกพออยากขึ้นมาอีกก็ทุกทรมานใจขึ้นมาอีกก็ต้องกลับมานั่งทําสมาธิใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้สลับกันไปแต่ถ้าเราอยากจะดับมันอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญ า, าปัญญา พิจารณาให้เห็นความจริงว่าความอยากนี้มันเป็นโทษไปทำตามความอยากไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นการดับความความทุกข์ดับความอยากทำตามความอยากแล้วจะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นเช่นโบราณท่านว่าพออยากอยากได้คืบพอได้คืบแล้วก็จะอยากได้สอบพอได้สอบแล้วก็อยากจะได้วาตอนต้นก็อยากจะเป็น เป็นนร้อยพอเป็นนร้อยแล้วก็อยากจะเป็นนายพันพออยากจะเป็นนายพันลแล้วก็อยากจะเป็นนายพลความอยากมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเราต้องตัดความอยากเท e ่านั้นถึงจะดับความอยากได้มันอยากอะไรก็อยากไปทำตามความอยากถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากไม่นานเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็จะเบาลงไปเบาลงไป น้อยลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเราไม่มีอะไรเราไม่เป็นอะไรเราไม่ได้ดื่มเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่เรากลับมีความสุขมากกว่าคนที่ได้ดื่มได้รับประทานได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ไปเป็นในพนในพันในร้อยเพราะเราไม่มีความทุกข์เท่านั้นเอง เขามีความทุกข์แต่เราไม่มีความทุกข์นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงภายในใจของเราอยู่ที่การดับทุกข์นี้นี่ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วความกความสุขที่เป็นธรรมชาติคู่กับใจก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความสุขที่เกิดจากการระงับของกิเลสตัณหานี่เองอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่มีความอิ่มมีความพอไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอพออยากพออยากได้อะไรพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดความอยากท่านจึงเรียกว่ามันกว้างใหญ่ไพศาล ย, ยิ่งกว่าท้องฟ้าหมหาเสมอ ท้องฟ้ามาหาสมุทรเขายังมีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาแต่ความอยากนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอยากได้เท่าไหร่อยากมีเท่าไหร่อยากเป็นเท่าไหร่ได้มามากมาน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักคำว่าพอจะมีคำว่าทุกตามมาเสมอเพราะความว่าไม่ความไม่พอนี้เองเป็นความทุกข์นี่คือเรื่องของการปฏิบัติจิตในอริยสัจสี การพิจารณาแบบที่สอนให้คิดนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเจริญมรรคการนั่งสมาธิก็เป็นการเจริญมรรคการเจริญสติเพื่อจะได้มาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก็เป็นมรรคการรักษาศีลก็เป็นมรรคการทำบุญให้ทานก็เป็นมรรคนี่คือการเจริญมรรคที่พวกเราควรจะเจริญให้มาก พอเมื่อเราได้เจริญมากได้เต็มที่แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะละสมุทัยละตัณหาความอยากต่างๆละเหตุของความทุกข์ได้เมื่อเราละเหตุของความทุกข์ได้นิโรธคือความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานิโรธที่ท่านบอกว่าทำให้แจ้งก็จะปรากฏขึ้นมาเราทำให้แจ้งแล้ว ด้วยการละสมุทยัยละด้วยอะไรก็ละด้วยมรละด้วยการให้ทานละด้วยการรักษาสิงละด้วยการเจริญสติละด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิละด้วยปัญญาให้จิตใช้ปัญญาตัดกิเลสตัดตัณหาให้เห็นว่าตัณหานี่เป็นเหมือนงูพิษ ถ้าเราไปก้าวใกล้งูพิษแล้วจะต้องโดน ง, งูพิษกัดทันทีฉันใดถ้าเราเข้าไปใกล้ตันหาแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที mm hmm. ถ้าเราไม่เด่นสุราแล้วไม่อยากเด่นสุราเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่อยากเดืนสุราถ้าเราไม่อยากสูบบุหรี่เราก็จะไม่มีความทุกข์เหมือนกับคนที่อยากจะสูบบุหรี่นี่คือเราต้องละ ตันหาทั้งสามีให้ได้การมาตันหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ภาวะตันหาก็คือความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากดีอยากเด่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นภวะตันหาอยากไปอยากมันถ้าจะอยากก็อยากอยากดับความทุกข์อยากตัดกิเลสตัดตันหา อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นตันหาอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นมัคเป็นวิธีเป็นเครื่องมือดับทุกข์ฉะนั้นความอยากนี้จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นกิเลสเป็นตันหาไปทั้งหมดถ้าอยากตัดอยากดัดกิเลสอยากดับทุกข์ด้วยการละสมุทัยอย่างนี้เราเรียกว่ามัคแต่ถ้าอยากไปเที่ยวอย่างนี้เราเรียกว่าตันหาถ้าอยากจะดื่มสุราเราเรียกว่าตันหา เพราะมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจแต่ถ้าเราอยากจะดับดับตัณหาดับกิเลสอย่างนี้ไม่เป็นไม่เป็นตัณหาแต่เป็นมัจรรเพราะจะทำให้ความทุกข์ดับไปนั่นเองความอยากอะไรที่ทำให้ความทุกข์ดับความทุกข์ภายในใจดับไปได้อย่างถาวรเรียกว่าเป็นมัจแต่ถ้าความอยากที่ทำให้ความทุกข์เพิ่มกลับขึ้นมามากขึ้น แต่อาจจะทำให้ความทุกข์ดับไปชั่วคราวแล้วกลับเพิ่มมากขึ้นมาอีกอย่างนี้เราเรียกว่าตัญหาเหมือนกับเวลาที่เราจะดับไฟถ้าเราจะดับไฟให้ดับอย่างถาวรเราต้องสาดน้ำเข้าไปถ้าเราสาดน้ำเข้าไปมากๆเดี๋ยวไฟก็จะดับเองแต่ถ้าเราสาดน้ำมันเข้าไปในกองไฟตอนต้นมันก็ทำท่าจะดับเวลาที่น้ำมัน ศาสเข้าไปในกองไฟใหม่ๆแต่พอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาไฟมันก็จะลุกร้อนขึ้นมาอีกหลายเท่านี่ก็เป็นวินี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าเราอยากจะดับอย่างถาวรเราก็ต้องดับด้วยมัคดับด้วยน้ำแห่งธรรมเราอยากไปดับด้วยตัณหาคือความอยากอยากะอยากได้อะไรก็ไปหามาอยากกินอะไรก็ไปรับประทาน อยากจะดื่มอะไรก็ดื่มอย่างนี้ไม่ได้ดับความทุกข์แต่กลับทำให้ความทุกข์มีเพิ่มมากขึ้นไปมันดับเพียงในขณะที่เราได้ดื่มเท่านั้นเองเวลาอยากจะดื่มอะไรพอได้ดื่มเราก็ดีใจมีความสุขเดี๋ยวไม่นานก็กลับมาอีกก็อยากจะดื่มอีกพอไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ทรมานใจดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่า ความอยากนี้มีทั้งส่วนที่ที่เป็นธรรมและส่วนที่เป็นกิเลสส่วนที่เป็นกิเลสก็คือสมส่วนนี้คือกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัณหาและวิภาวะตัณหาก็คือ ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่จากสิ่งต่างๆที่เรารักไปนี่ก็เป็นตัณหาจงขอให้เราพยายามศึกษาพระอริยสัจสี่นี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และให้รู้ว่าเราจะทำให้อริยสัจสี่ทั้งสี่ประการนี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราได้อย่างไร ก็คือการปฏิบัติกิจในภาระในอริยสัจทั้งสี่นี้เองคือเวลาเกิดความทุกข์ใจแลต้องก็ต้องศึกษาแล้ว ร, ร, รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทุกข์ใจแล้วก็ศึกษาดูว่าอะไรทำให้เราทุกข์ใจเราก็จะเห็นว่าเพราะความอยากเราอยากไปดื่มสุรามันก็ทำให้เราทุกข์ใจเราก็ต้องตัดความอยากนี้ไปให้ได้ด้วยการใช้สมาธิด้วยใช้สติ ใช้ปัญญานั่งสมาธิไปหรือพิจารณาให้เห็นโทษของสุราให้เห็นโทษของความอยากในการดื่มสุราพอเราเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับใจของเราเราก็จะฝืนและจะไม่ดื่มสุราและพอเราไม่ดื่มสุราได้แล้วความทุกข์ใจที่ยที่เกิดจากความอยากดื่มสุราก็ดับไปหายไปนิโรธก็ปรากฏขึ้นมานี่คือการทราภารกิจ ในพระอริยสัจสี่ทุกให้กาหนดรู้สมุ ท, ทยให้ละนิโรธให้ทาให้แจ้งมักให้เจริญให้มากนี่คือหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดเราต้องยึดพระอริยาาสัจสี่นี้เป็นแนวทางแห่งการดำเนิน จึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้นำไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็แห่งว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย